สัาวิสังอณิพิสังขหาการังกเวสันโตทุขาชาติปุนาปูนงังขหาการักกติโถสิปุนาเคหังนากาหาสิสภ า, าเตภาสุกาภักขาข้ากูตังวิสั่งขดังวิสังขารขาดังจิตตังตันห้าหนัง่งเชยมะชชาอันนี้เป็นปรถมประพธปรถมพุทธวจนะที่เป็นกล่าวครั้งแรกหลังจากได้ตัดทะลุเนี่ยเราสแสวงหาช่างผู้ทําเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบก็ท่องเที่ยวไปแล้วสิ้น สงสารนับชาตไิไม่ใช่น้อยความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดูก่อนในช่างผู้ทําเรือนคืออัตภาพเราพบท่านแล้วท่านจะทําเรือนคืออัตภาพของเราอีกไม่ได้โครงบ้านของท่านทั้งหมดเราทําลายแล้วยอดคือวิชาเราก็ลือแล้วจิตของเราถึงพระนิพพานแล้วเราได้ไปรู้ธรรมเป็นที่สิ้นไปงตัณหา ท, ทั้งหลายเลยตรงนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าประกาศเลยเนะีเราแสวงหาในช่างผู้ทําเรือนคืออัตภาพ ท่านบอกขันห้าเนี่ยรวบขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันกายกับใจเนี่ยเป็นอะไรเป็นเรือนและเรือนหลังเนี่ยบ้านหลังเนี่ยใครเป็นคนสร้างตันหาตันหาเป็นผู้สร้างพระเจ้าก็อ๋อหาเหลือเกินแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนทําอัตภาพเนี่ยไม่พบในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเราหาไม่พบบอกงั้นเมื่อหาไม่พบแล้วเนี่ย เลยท่องเที่ยวไปแล้วสิ้นสงสาร น, นับนับชาติไม่ได้นับการเกิดไม่ได้เลยอะว่างั้นเดอร์มิใช่น้อยเลยการเกิดเนี่ยมากอย่างเรานี่พระพุทธเจ้าบอกแล้วใช่ไหมว่าตัณหาเป็นตัวสร้างอัตภาพแล้วรู้รู้แล้วก็แคเป็นไงเลยเนี่ยหายไปไรแล้วจะสร้างเรือนอีกไหมไงสร้างเรือนสวยๆหน่อยเนี่ะแต่เลือนไม่ดีสาคัญไม่ดีจริงเนี่ย แต่ละคนก็้โหได้เรือนกันมาแต่ละหลังนี่ผุพังกันเป็นแถวซ่อมกันแล้วซ่อมกันอีกข้ามข้าเกินมีคนคนนึงก็เป็นโรค ก, กระดูกพุนโอ้โหตอนนี้ก็ต่อสู้เข า, าต้องสู้ก็ า, านนได้นึกในใจเอาสู้ไอ้เหอเดี๋ยวก็กอง <c oughs> แล้วก็บอกก็แม่เขพูดแล้วก็แม่คนสู้ชีวิตก็ว่าบนั้นก็ต่อสู้กระดูกพุนเป็นโรค ก, กระดูกพุนปวดเขาก็าทนเนาะตอนนั้นมาก็มานั่งฟังทำรร ม, มานั่งฟังทำ เนี่ยโอ้โหปาฏนารจะมาฟังทันได้ยินด้านจะมาบรรยายบอกเออดีกินยาไปสามเม็ดก็ปกติเขาให้กินครั้งละเม็ดเนี่ยกินสามเลยแล้วเป็นไงเบลอเลยดิ <c oughs> บอกมองอะไรลอยรอยหมดเลยบอกเขาทนก็สู้เขาจะต้องมาฟังทามาได้ครั้งเดียวเองครั้งสองไปหายเงียทํามไม่ไม่มาหมอนัาผ่าตัดแล้ว <c oughs> ไม่ไหวหรอกเห็นไหมนี่แหละในนี่เรือน <c oughs> <c oughs> นี่เราบ้านนายช่างคือตันหาเนี่ยก็สร้างที่ตันหาก็ไปบวกกกรรมไงก็สร้างบ้านแม่ไม่ดีประเภทที่ได้ไม้ไม่ค่อยแข็งแรงมาใช่ไหมได้ไม้ไม่ค่อยแข็งแรงเพศไอ้ที่ตอนทํากรรมก็ก็ไม่คิดเนี่ยเอาเอาไปสร้างแบบทรงเดชเนะี่ยสรางแบบทรงเดชแบบเอานี้ก็เอานี่ก็เอามาแบบไม่ค่อยพิถีพิถนนะันเอาให้เสร็จเป็นว่ามีจริงๆนะคนที่ชอบทําอะไรแบบนี้มีนะใช่ไหม งั้นคนทํากรรมก็ไม่ต่างกันแล้วก็คือตัณหานี่แเราเป็นตัวทําให้ทํากรรมมันเป็นไรแล้วเราทาบุญก็ทำํำมายังเยอะแยะอาจจะมีบาปบ้างผสมนอะไรต่างก็ไม่เป็นไรเนี่ยโอ้โหประเภทนี้นะว่านี่คนอื่นเขาไม่รู้นี่ใช่ล้วเอาสร้างให้ข้างนอกดูดีเขาไว้ข้างในเป็นไงยังข้างนอกโอ้โหสวยหมดแต่ข้างในบางคนดูดีหมดเลยนะเออแปลกจริงรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆ ด, ดีหมดแต่โรคเต็มหมดเลยเนี่ย สร้างไปแบบเนี้ยต่นี้โอ้ต่อไปก็ข้างนอกดีไม่ดีไม่เป็นไรเรขอให้แข็งแรงมันก็มีใช่ไหมคนบางคน น, งนี่นี่อะไรในซากในชคื อ, ค, อคือโดยสรุปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็พังอะเรือนคืออัตภาพเนี่ยพระเจ้าบอกเมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปแล้วสิ้นสงสารนับด้วยชาติไม่ใช่น้อยโอ้โหความการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่าไป ดูก่อนในช่างผู้ทําเรือนคืออัตภาพบอกดูกรท่านพูดกับตันหาดูก่อนตันหาดูก่อนสมุไทยที่ท่านเป็นเหตุของการสร้างอัตภาพเราพบท่านแล้วเห็น ไ, ไหมเราพบท่านแล้วนี่เราเนี่ยเรารู้จักแต่เรายังไม่พบอย่างยังรู้จักแต่ไม่พบท่านจักทําเรือนคืออัตภาพของเราอีกไม่ได้พระพุทธเจ้ายืนยันเลยไม่ได้ คือท่านจะสร้างเรือนให้กับเราอีกไม่ได้แล้วแต่ว่าโครงบ้านเราทําของท่านทั้งหมดเราทําลายแล้วแปลว่าอะไรโครงบ้านทั้งหมดเรือนทั้งหมดที่ท่านทําโครงก็ว่าที่ยังไม่เสร็จเนะ่ยยกตัวอย่างเช่นอัตภาพต่อไปใช่ไหมกรรมที่ทำเบ็ดเสร็จเนะี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราทําลายลืมหมดแล้วเช่นโครงเรือนที่จะไปเกิดเป็นเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานสนาัตว์นรกทําลายเกลี้ยง ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาทุกชั้นจะเกิดเป็นพรหมทุกชั้นนั้นโครงเหล่านั้นเรียบร้อยเราทําลายเรียบร้อยแล้วเราทําลายแล้วยอดเรือนยอดแห่งเรือนยอดแห่งเรือนหมายถึงอวิชช า, าเราลือแล้วจิตของเราถึงพระนิพพานแล้วพุทธเจ้าบอจิตเนี่ยจิตของท่านได้สัมผัสพระนิพพานก็แปลว่าเมื่อได้สัมผัสพระนิพพานเนี่ยอวิชชาก็ดับอย่างเท้าวรตัณหาก็ดับอย่างเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพุทธเจ้า พูดกัตันหาเลยพอได้บรรลุภพเนี่ยพระเจ้าพูดกัตันหาอันนี้เป็นประถมมโนสเป็นคําพูดเหมือนถ้าพูดอย่างเราเราก็เรียกว่าเหมือนเราว่ายน้ําเนี่ยข้ามคลองมีจระเข้มีปลาล้ายมีอะไรเยอะแยะหมดแล้วเราลอดเนี่ยเราขึ้นไปบนฝั่งเนี่ยก็เลยพูดกับปลาล้ายพูดกับจระเข้บอกโอ้ยสบายแล้วเ <c oughs> จ้าไม่ได้กินเราอีกแล้วอย่างเงี้ยในธรรมนองแบบเนี้ยนะเหตุที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะหลายในสังสารวัตที่ผ่านมานะโวโดนมันทำเรือนมา โดนมันสร้างอัตภาพมาไม่รู้มิใช่น้อยใช่ไหมอย่างเี่นว่ากรรมที่เราทําไว้ทั้งหลายที่จะเป็นปัจจัยในการสร้างอัตภาพในสังสารวัฏในอนาคตนี่ไม่ใช่น้อยเราไม่ได้รื้อเลยสักชิ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยไอ้คงเรือนเหล่านี้ยเรายังไม่ได้รื้อเลยเนี่ยยอดเรือนคืออวิชาก็ยังปักแน่นอยู่คงคงบ้านทั้งหลายเนี่ยหูสร้างไว้เพียบหมดก็ต้องคิดดูที่เราให้ทานแต่ละครั้งเลยบูชาพระธาตุก็ดีรู้เอิบ รักษาศีลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นก็ดีที่ตั้งอัธยาศัยไว้ในสังสารวัตรเนี่ยโอ้โหสุคติพบลอบเป็นแถวอ่ะโยมีมนุษย์หรือเทวดานี่โอ้โหเชื้อเชิญกันเป็นแถวนี่เราทาความดีกันทั้งหลายในบุญกุศลนั่นเนี่ยเอาที่อัตภาพนี้มั่นคงแข็งแรงดีอะไรก็เชื้อเชิญกันเป็นแถวหมดายบาปอกุศลทั้งหลายก็ร้องกันวิทว่าโอนี่ก็ดีอะไรต่างๆก็มากันเป็นแถวหมดอาจารย์บางพวกกล่าวอุทานคาถาในคำพีขันธ์กาหมวย ยาาเวปาตวพวันตีทำ ม, มาในการใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏดังนี้เป็นต้นว่าเป็นบัถมพลดก็อุทานแล้วเ่งทราบว่าเป็นอุทานคาถาที่บังเกิดแก่พระผู้อวยพาะเจ้าผู้รู้สรพพนิยตญาณแลทรงพิจารณาอยู่ว่าปจิยากาันนี่หมายถึงพิจารณาปจิยากาันด้วยพยานที่สําเร็จด้วยสมนสเวทนาในวันแรมหนึ่งขั้นเหมือนหก็คําที่พระผู้ภาคเจ้าตรัสเวลาใกล้ปรินิพานดูก่อนพิจารทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่ า, า, านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยำสัมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนี้เป็นปัจฉิมโพธิ์ปัจฉิมโพธิ์ก็หมายถึงคําพูดครั้งสุดท้ายตอนที่พระเจ้าจัดเสด็จดับขันธบริญพานบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยำสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติในที่นั้นก็หมายความว่ายังมัสมีองค์แปดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นปัจฉิม เห็นไหว่าปฐมก็คืออเนกชาเป็นต้นปัจฉิมก็คือนั่นแหละไอ้ท่ามกลางทั้งหมดนอกจากนั้นเป็นมะมฉิมมพะพรสปฐมมะพรสมะฉิมมพรสแลปะปัจฉิมมะพรนับอย่างนี้งั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าเอออย่างว่าดูก่อนนายช่างเราสแสวงหานายช่างผู้ทําเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบก็ได้ท่องเที่ยวไปแล้วสิ้นสงสารนับชาติไม่ใช่น้อยความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ ดูก่อนในช่างคู่ทําเรือนคืออัตภาพเราพบท่านแล้วท่านจักทําเรือนคืออัตภาพของเราไม่ได้อีกโครงบ้านของท่านทั้งหมดเราทําลายแล้วยอดเรือนคือวิชาก็เราลื้อแล้วจิตของเราถึงปณิพานเราได้รู้ทําเป็นที่สิ้นไปงตัญหาทั้งหลายแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปฐมปฐมพจน์ปฐม ว, มวจะนะคําพูดคําแรกหลังตัสทรู้แล้วท่านก็ไปจับตอนปลายเลยแต่เนี้ยว่าเธอทั้งหลายบอกว่าสังขารพุกิทั้งหลายแบบนี้เราเข็เตือน เธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเบนทันแลเธอทั้งหลายจงยังความยังยังสมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่เป็นปัจฉิมนอกนั้นก็เป็นมัชชิมเป็นเบื้องกลางาฉะนั้นนับอย่างนี้นะปะถมพจน์มัชชิมพจน์ปัจฉิมพจน์ต่อไปก็นับโดยอํานาจถึงปีดกภาษาเหมือนกันวินัยยปีดกสุตตันตปิดกและพระพิธรรมปีดกในปีดก3นั้นอ่ะพุทธพจน์คือปาฏิโมก ทั้งสงมีวิพังขันตะกะ82ปริวาหนึก้าชื่อวิในปิโลกเพราะรวมวพุทธพจน์ทั้งหมดที่สังคายนาในครั้งปฐมสังคายนาและที่สังคายนาต่อมาพระพุทธคิวสุดตันตปิโกได้แก่พุทธพจน์ก็คือทีคณิกายจํานวน34สูตรมีพรบอชาราสูตรเป็นต้นมชัชมันิกายก็มี152สูตรมีมูลปริยาญสูตรเป็นต้นสังยุตตนิกายก็มี7จ็ดสูตร มีโอฆาตระนาสูตรเป็นต้นอังคุตรนิกายก็มีจํานวน 9,550 พันสูตรมีจิตตะปริยาธานสูตรเป็นต้นคุตกานิกายก็มี15ประเภทคุตกานิกายมีเยอะคุตการปาถะธรรมบทอุลทานอิติวุตกาสูตรานิบาดิมานวัตถุเปตวัตถุเถละคาถาเถลีคาถาชาดกนิเทศปฏิสัมพิธามากักอภทานพุทธวงศ์แล้วก็จริยาปิดกแล้วก็พุทธพจน์ที่ชื่อวอ่าวิธรรมิดกได้แก่ ไดแก่ธรรมสังคีณีวิพังา ธ, ธาตุกถาผุกไลกระถา ย, ายมโอกแล้วกับปฐฐานในสามปีดอกนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปท่านก็ที่บายเกี่ยวในเรื่องของวินัยแล้วก็พระสูตรพระวิธามก็ไว้โดยให้ความหมายว่าวินยัยศัพท์เนี้ยบัณฑิตผู้รู้อัดแห่งวินยัยศัพท์แปลความหมายวินัยเพราะมีไนต่างๆเพราะมีในพิเศษเพราะควบคุมกายและวาจาท่านแปล น, นะคําว่าวินัยเนี้ยวินัยก็แปลว่าอะไรมีไนต่างๆมีไนที่พิเศษ แล้วเพราะควบคุมกายกับวาจาวินัยเนี่ยควบคุมสองส่วนศีลนี่นะควบคุมกายกับควบคุมวาจาเห็นไหมพระเจ้าตรัสอันเนกมากมายเลยนะวัตถุประสงค์ก็คือควบคุมกายกับวาจาสแสดงว่ากายกับวาจาที่ควบคุมยากไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมพระองค์ก็ตรัสเออให้ทํายังไงจะควบคุมกายถ้าพระของพระนี่ควบคุมละเอียดมากควบคุมแม้กระทั่งการยืนการเดินการนั่ง การพูดการหัวเราะการไอวางสายตาวางอะไรต่างๆนี่โอ้โหคำกลับไว้ละเอียดบางคนมาจากคัมภีรเพราะวินยัยอ่านพบนี่ทิ้งอยากจะศึกแล้ ว, ลวบอกอยู่ไม่ไหวแล้วแบบนี้ก็า ก, กันนะขนาดนั้นเลยนะบางคนนี่บอกโอ้ไม่ไหวแรอกเกิดมาในยุคนี้ทําไมมาศึกษาแบบนี้ว่า ก, ก, กันนะโอ้โหไม่ไหวบอกมองก็ต้องมองทอดต่ําอย่างเงี้ยวมั้งโอ้โหไม่ไหวแล้วบาง ที่นี้นวินัยปิดอกมีนายต่างๆมีปาติโมกขุเทศหอบัตเจดกองมีปราชิกเป็นต้นมาติกาวมีวิพังเป็นต้นเป็นประเภทส่วนนายของอนุบัญญัติเป็นปนายพิเศษคือเป็นผลทําให้พุทธบัญญัติเดิมน่ยตึงขึ้นหรือหย่อนลงแล้วก็วินายเนี่ยควบคุมกายวาจาเพราะห้ามการลู ป, ประพฤติล่วงทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นท่านจึงแปลความหมายวินยัยเพราะมีนายต่างๆเพราะมีนายที่พิเศษเพราะควบคุมกายและวาจาเหตุนั้นน่ย เรื่ความเป็นผู้ฉลาดในเนื้อความของพระวินยัยข้าพเจ้าก็เก่าวินยัยสัพ์นี้บัณฑิตผู้ลุกอัดแห่งวินยัยแปลความว่าวินยัยเพ่อวินัยต่างๆวินัยเพ่อวินัยที่พิเศษวินัยก็เพราะควบคุมกายและควบคุมวาจารตรงนี้ก็ตรงเนี้ยเลยมากคนก็ชอบมาอ่านกันสรุปตรงนี้ก็โอ้ยวินัยของพระเจ้ามิไม่มีมากหรอกควบคุมกายและวาจายอย่างนั้นน่ะออุบายแห่งการควบคุมกายและวาจาดี่สิใช่ไหมจะต้องวางจิตยังไงต้องรู้ด้วยถ้าศึกษาแต่วินัยอย่างเดียวเนี่ยเครียด ไม่เครียดได้ยังไงล้าวินัยศึกษาเรื่องระเบียบเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องข้อบังคับไม่ศึกษาพระสูตรคือสมาธิวินัยเกี่ยวเรื่องศีลใช่ไหมพระสูตรเกี่ยวเรื่องสมมติสมาธิอภิธรรมเรื่องปัญญาเพราะอะไรปัญญาต้องมาอุปการวินยัยศีลเนื้ออุปการละสมาธิสมาธิก็อุปการะปัญญาปัญญาก็มาอุปการละศีลถ้าเชื่อมโยงกันอย่างนี้ถึงอยู่ได้ถ้าผมมีแต่วินยัยแต่ไม่ให้ปัญญานี่ยุ่งเนะี่ ยงอ่ะในโลกใบนี้สังเกตดูเธอออกกฎหมายด้วยม้วาไม่ออกปัญญาให้ไม่ออกเหตุผลไม่ไม่ให้เหตุผลนะให้กฎหมายผิดยังไงยังไงก็จะเล่นกันอยู่กันนะทุกวันนี้เรื่องสู้เรื่องกฎหมายก็โหหัวหมอเยอะส่วนสุดตาสุดตาสับ พ, พระสูตรเนี่ยนะท่านแปลว่าความหมายของพระสูตรว่าเปิดเผยซึ่งประโยชน์ทั้งหลายเปิดเผยประโยชน์ปนัจจุบันเป็นยังไงประโยชน์ในภพหน้าเป็นยังไงประโยชน์อย่างยิ่งเป็นยังไง มันประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ตนยังไงประโยชน์บุคคลอื่นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยเปิดเผยประโยชน์เหล่านี้ยเปิดเผยทิฏฐาธรรมิกาาประโยชน์สัมปราญิกถาประโยชน์แล้วก็ปรมาัศนประโยชน์เพราะกล่าวประโยชน์ไว้เหมาะสมเออกล่าวประโยชน์ด้วยเหมาะสมเนี่ยนะควมหมายความเออประโยชน์ในปัจจุบันเหมาะสมประโยชน์ในพบหน้าอย่างยิ่งเป็นต้นแล้วก็ผลิตผลิตประโยชน์หลังประโยชน์ป้องกันได้ดีแล้วก็เพื่อมีส่วนเสมอด้วยสายบรรทัดอธิบายมาแล้วอธิบายอีกหน่อยก็คือว่า พระสูตรนั้นย่อมส่องถึงประโยชน์ทั้งหลายอันต่างด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นหรือประโยชน์ทั้งหลายพระผู้วภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในปิดกนี้แล้วก็อนุโลมตามอัธยาศัยของเวนัยศัตว์นั้นพระสูตรตันตะปิดกเนี่ยย่อมผลิตประโยชน์ทั้งหลายผลิตเหมือนกันก็นข้าวกล้าผลิตผลหลังประโยชน์ก็เหมือนกันโคโนมหลังน้ำนมป้องกันก็คือรักษาประโยชน์เหล่านั้นไว้ด้วยดีพระสูตรนี้ส่วนเสมอโดยสายบรรทัดก็ดังที่ได้กล่าวแล้วก็คือว่า เมือนายบรนทัดเป็นเครื่องกาหนดช่างไม้ทั้งหลายชั้นใดพระสูนรนี้ก็เป็นเครื่องกําหนดของวิญญาชุดวิญญาชนทั้งหลายฉชนั้นเหมือนกับดอกไม้ทั้งหลายที่คุมไว้ด้วยดีไม่ให้เริยาลายร้อยไว้แม่กระจัดกระจายประโยชน์ทั้งหลายที่รวบรวมไว้ในประสูน์ก็ฉชนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นผู้ฉลาดในในถ้อยคำเห่งิมคำพระสูนรนั้นท่านก็กล่าวบอกว่าสุดตะสับเนี่ยท่านแบ่งบว่าส่องถึงประโยชน์ทั้งหลายกล่าวประโยชน์ไว้เหมาะสมผลิตประโยชน์พ่อหลังประโยชน์ป้องกันได้ดีและมีส่วน เสมอด้วยสายบรรทัดอันนี้ได้ที่อธิบายไปแล้วว่าพระสูตรเป็นอย่างนี้นะถ้าเรามองมองอย่างนี้จะจะเข้าใจใช่ไหมที่บอกว่าเปิดเผยรประโยชน์ทั้งหลายแสดงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นกล่าวประโยชน์ไว้เหมาะสมอนุโลมตามอัธยาศัยของเวนยยศัตร์ผลประโยชน์ก็เหมือนกับข้าวกล้าผลิตผลยชนฉะนั้นแล้วก็หลังประโยชน์ก็หมายว่าเหมือนโคนมหลังน้ํานม แล้วก็ป้องกันได้ดีคือรักษาประโยชน์เหล่านั้นด้วยรักษาประโยชน์ในประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นได้ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์อย่างยิ่งได้มีส่วนเสมอด้วยสายบรรทัดนะเหมือนสายบรรทัดที่เป็นเครื่องกําหนดของช่างไม้ท like ั้งหลายทั้งต่างเนี่หรือว่าเครื่องกําหนดธรรมะของวินยูชนเนี่ยเหมือนดอกไม้ทั้งหลายที่ร้อยไว้ด้วยเส้นได้ไม่เลี่ยไรไม่กระจัดกระจายด้วยแรงลมชั้นใด ประโยชน์ทั้งหลายที่รวบรวมเรียบเรียงไว้ในพระสูตรก็รวบรวมไว้อย่างบริสุทธิ์ไม่เลี่ยไรไม่กระจัดกระจายฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือสูตรพระสูตรเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปก็คือด้านของภาพิธามภาพพิธามท่านเรียกว่าอาพิธรมเพราะพระผู้มีภาคตรัสไว้ใน พ, พิธรรมปีดกว่าเป็นธรรมะที่มีความเจริญมีกําหนดเป็นมาตรฐานที่บุคคลบูชาแล้วที่ตัดขาดและเป็นธรรมที่ยิ่งใน พ, พิธรรมศัพเนปรากฏด้วยความเจริญบอกว่า อันว่าบัณฑิตกําหนดเป็นมาตรฐานความว่าอันบุคคลบูชาแล้วความว่าตัดขาดเพราะความที่เป็นธรรมอันยิ่งมีประโยชน์คือท่านก็ยกบอกว่าพาลาหามีอวุโสดูกว่านอาวุโสทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าย่อมจะย่อ ม, มกำเลิกแก่ข้าพเจ้าย่อมไม่ถอยลงเลยนี่อภิศัพท์น็นอธิวัตว่าอันบัณฑิตกําหนดมีมาตรฐานในประโยชน์ยาตาลติอภิญญาตาอภิรักขิตาราตีนั้นๆ เป็นวันเจตุธศีปันนราศีวันอัธมี14บ่ค่ำบาง15คห้าบาง8ค่าบางเนี่ยอันนี้บัณฑิตกําหนดรู้แล้วด้วยความเต็มดวงของของดวงจันทร์ด้วยความกําหนดของของดวงจันทร์นี่เนี่ยถ้ากําหนดมาตรฐานก็คือสมาทานอุโบสถเมื่อฟังธรรมเพื่อสการะบูชาเป็นต้นอภิษับมาในอัดว่านี่ท่านนิบายศับครับว่าอภิเนี่ยอันบุคคลบูชาแล้วเนี่ยราชาภิราช า, า, ชามนุชินโธขอบ พระองค์ทรงเป็นพระราชาอันพระราชาบูชาแล้วจงเป็นจอมคนอภิษับมาในอาจว่าตัดขาดก็ได้ปฏิพโลวินเนตุงอภิธรรมเมอภิวินิเยเป็นผู้สามารถแนะนําในอภิธรรมในอภิวินัยอัญญะมัญญะกรระวิหิตาธรรมเมเจวินาเยจะในพระธรรมและในพระวินัยซึ่งเว้นจากการป่าปนกันและกันอภิษับมาในอาจว่ายิ่งกันนะอภิกันเตนวันะมีผิวพรรณงามยิ่ง คำว่าอภีเนี่ยแปลว่ายิ่งเลยงามยิ่งสวยยิ่งดียิ่งเนี่ยรรมาทั้งหลายที่มีความเจริญพระพุทธยาก้าตรัสรูปป้ปรับปฏปิฏยามรังพาเวติเมตาะะะเ ต, าเตาสหคเตนะเจตซาเอกังที่สังพริตวาวิหรติภิกษุเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพรมนี้มีใจประกอบไปได้วยเมตตาแผ่ไปทิศหนึ่งอยู่อันนี้ก็ ท่านอธิบายแม้ทำทั้งหลายที่บัณฑิตกําหนดเป็นมาตรฐานว่าความเป็นสภาพที่ควรแก่การกําหนดเป็นอารมณ์ท่านกล่าวไว้โดยนายเมียที่ว่ารูปารมณังวาสัทธารมณังวารูปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวาราสารมณังวาโพธพารมณังวาธรรมารมณังวารูปารม์หรือวาในเบลวหรือสัทธารม์เสียงนไงนะหรือ คันธารลมกินหรือร ะ, ะอารมณ์รสแล้วก็หรือโพธพ า, ารม์คืออารมณ์ที่กระทบทางกายหรือธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องทางใจแม้ธทมทั้งหลายท่าน บ, บูชาแล้วท่านกล่าวไว้เป็นในอาทิว่าเสขาธรรมมาเสขาธรรมมาโลกุตราธรรมมาเสขาธรรมอาเสขาธรรมโลกุตล า, า, า, า, าธรรมรอันนี้กล่าวว่าเสขาธรรมมาบอกทำของพระเสขะอาเสขาธรรมมารำของพระอรหรันต์ โลกุตลารร ม, มา ค, รคือโลกุตธารมแม้ทำทั้งหลายที่ตัดขาดอันนี้เป็นธรรมที่ตัดขาดนะเพราะเป็นธรรมที่ตัดขาดแล้วตามสภาวะท่านกล่าวว oh ่าผัสโสโหติเวทนาโหติผัสสามีเว um ทนามีโหติเบลมีธรรมทั้งหลายแล้วอันยิ่งท่านกล่าวไว้โดยในเวลาที่ว่ามากระตาธรรมมาอัปปามนาธรรมมาอนุตตระธรรมมากระตาธรรมอัปปาณนธรรมอนุตตระธรรมท่านวันนี้เป็น เ, นเนพื่อวความเป็นผู้ฉลาดในครื่อความเลยนนี้แปลว่าตัดขาด ก็พระธรรมนี้ท่านเรียกว่าอาภิธรรมเพราะพระผูะ้ใหญ่าตัดไว้ในอภิธรรมว่าเป็นธรรมที่มีความเจริญที่กําหนดมาตรฐานที่บุคคลบูชาแล้วตัดขาดแล้วเป็นธรรมที่ยิ่งก็ตัดในลักษณะอย่างนั้นก็คือให้ความหมายของวินัยก็ไว้ประสูตรเข้าไว้พระอภิธรรมเข้าไว้แต่ด้านอาภิธรรมจะเขา้าใจยากนิดหนึ่งไม่เป็นไรฟังไปบ่อยแล้วเข้าใจฟังเป็นอัธยาศัยก็ไว้เวาลาไปเป็นเทวดาเองแต่โอ้โหนี่ได้ฟังมาแล้วมีพระท่านเคยอ่านนี่ฟังไปรอบและลึกได้ก็ว่า พอส ก, กิท น, นานและลึกได้นะเขาบอกเวลาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยในเทวดาเนี่ยค่อนข้างเยือกเยิดเพลินอารมณ์อารมณ์ค่อนข้างยา เ, เาาางยางามมากเนะ้ยให้สังเกต ด, ดูดีในเทวดาแต่ละพบแต่ละชั้นเนี่ยล้วนแต่หน้าอาภิรมนั่งบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหมาเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวเนี่ยจะต้องกลับไปบอกญาติเพราะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยแค่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยญาติตายหมดเลย ความยาวนานหนึ่งนานขนาดนั้นนะโอ้โหเพลิดเพลินมาเอออยากจะไปบอกญาติทวรสวรรค์มีอย่างกลุ่มพวกนี้ไม่ได้มาบอกเลยลืมลืมนานบางงคนไนี่ลืมไปตั้งหลายร้อยปีเอา้าพอร ะ, ะลึกได้ทีหันกลับมาเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยสักค น, น่เป็นอย่างนี้บนสวรรค์หนึ่งงดงามขนาดนั่ะเนี่ยเราคือชีวิตถ้าชีวิตใครเคยได้ไปที่ที่งามที่สุดเนี่ยลืมบ้านเลยเน่ย กลับไปเนี่ยลืมไปพักใหญ่โตเลยทีนี้ว่ายังไม่เคยเห็นที่ ง, งามๆจนขนาดลืมบ้านลืมช่องเลยมัยเคยเคยเจอมั้ยมีลืมไปพักนึ่งเลยก็จะนึกได้โอ้เราเห็นไหมอีกที่อันนี้งามหมดอ่ะทางทวารตาก็งามทวารหูก็งามทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแม้แต่เป็นอารมณ์ในทวารใจงามงามจนลืมลื ม, ลมหนึ่งไม่มีทุกขเวทนาแค่นี้ก็ลืมเนี่ยสองไม่ต้องกินข้าว ไม่ต้องแล้วอิ่มทิพย์วันหน้าทิพย์ไม่วันหน้าทิพย์อาหารก็เป็นทิพย์แล้วก็เสื้อผ้าก็เป็นทิพย์ที่อยู่ก็เป็นทิพย์บางกลุ่มเนี่ยคิดอะไรได้นั้นน่ะลองคิดดูเถอะจะเพลินขนาดไห น, นแค่คิดอยากได้ปุ๊บเนี่ยได้ผดเกิดขึ้นรองรับหมดเลยบุญขนาดนั้นเลยนะในสวรรค์ที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าไม่ต้องคิดคนอื่นคิดให้อันนี้หนักว่าใหญ่ใช่ไหม คือคนคนอื่นคิดให้เลยอ่ะโอยอย่างโครงการพระราชดําริเนี่ยยังไม่ค่อยเสร็จก็ยังมีเรื่องเยอะแยะใช่ไหมนี่มนุษย์ขณะเป็นสมมุติเทพอ่ะที่เราเห็นเห็นเนี่ยที่กลุ่มพระเจ้าเออพระเจ้าบิดินเป็นต้นเหล่าเนี้ยท่านเป็นสมมุติเทพที่มีโครงการพระราชดําริเนี่ยเถียงกันตรงไหนถ้าท่านดํำริมาเรียกมาเลยเงียบหมดแต่เงียบพักหนึ่งเดี๋ยวโผล่ อ, อีกนะแต่ถ้าเทวดาจริงๆที่เป็นอุปติเทพนี่โอโ้โหที่อยู่ชั้นสูงสู ง, สงนี่ หาดดำบีนี่สำเร็จหมดไม่มีอะไรขัดขวางเลยและอีกชั้นหนึ่งไม่ต้องดำรีก็อื่นดำรียังไโอ้โหนี่บุญมากเลยก็ก็ที่คนเขาเล่ากันเรื่องขำที่บอกว่าเห็นเพื่อนตายไปเกิดเป็นหนอนแล้วตนเองดำบีอะไรก็ได้ก็มาบอกเพื่อนโอ้หทนเหม็นบอกเพื่อนบอกโอ้โหสงสารเพื่อนเหลือเกินจะมาสอนให้เพื่อนทำใจให้นึกถึงบุญกุศลที่เคยทาให้ไปเกิดเป็นเทวดา นอนคานออกมานี่ก็เล่ากันเล่นๆน่นนอนก็คานออกมาบอกบอกอเพื่อนร้องไห้ทําไมเทวดาร้องไห้เห็นเพื่อนตายเป็นนอนในส้วมโหสงสารเพื่อนเหลือเกินเพื่อนอยู่ยังบากยัอยู่ในส้วมมืดมิดโอหเราไปเกิดเป็นเทวดาลําสบายอยากทําอะไรคิดนี่สําเร็จหมดเลยเรแค่คิดแค่นั้นนหละบรรลุวัตถุประสงค์นอนก็หัวเราะโอ้โหไปร้องทําไมเราอยู่นี่เราไม่ต้องคิดเลยเช้าขึ้นมี่งมาส่งให้ทุกวัน เสร็จเลยเนี้ยนี่เขาก็เล่าเป็นอุทางหอนเลยบอกเลยใช่ไห ม, ม, ไมถ้าสัตย์เดชานก็คิดแบบสัตว์เดชานเทวดาคิดแบบเทวดาวปีดกทั้งหลายมีวินัยปีดกเป็นต้นนะั่นนะผู้รู้เนื้อความของปีดกเหล่านั้นนะ่ะนะปีดกโดยเนื้อความปริยัติและภาชนะพึงทราบมีสามวินัยเป็นต้นรวมเข้ากันกับปีดกศัพท์แม้ปริยัตเห็นนะท่านก็เรียกว่าปีดกเพราะประโยคมีอธิ่าอย่าถือโดยอ้างปีดก แม้ภาชนะอย่างใดยอย่างหนึ่งถ้าเรียกปีดกในประโยคเป็นาที่ว่าครั้งนั้นบุรุษถือเอาจอบและตะ ก, กร้าเดินมาเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รู้ความสัพทของปีดกจึงเรียกสาวว่าปีดกเนื้อความในปริยัติและภาชนะท่านบอกปีดกเน้นแปลไปหลายในนะว่างั้นนะปีดกนี่แปลว่าผาชนะก็ได้ปีดกนี่แปลว่าตะกร้าก็ได้แปลว่าตะกร้าก็ได้ภาชนะกับตนะกร้าทีนี้ในวินัยปีดกเป็นต้นน่ยรวมความก็คือว่า เพิ gen, ่งทราบมีสมีวินัยเป็นต้นเหล่านี้ว่าเพราะคําสมาศกับคําว่าปิดกนั้นมี2ความหมาย2อย่างคือวินัยด้วยวินัยนั้นปีดดกด้วยเพราะเป็นปริยัตเพราะความเป็นภาชนะแห่งเนื้อความนั้นๆเพราะฉะนั้นชื่อว่าวินัยปิดกโดยในที่กล่าวมาแล้วพระสูตรนั้นเป็นปีดกด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสุดตันเดือปีดกอภิธรรมก็เป็นปีดกด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าอภิธรรมเป็นดกก็เหมือนเป็นตะกร้าใส่คําสอนเข้าไว้ เหมือนเป็นตะกร้าใส่คำสอนเข้าไว้ในทํานองอย่างนั้นพึงแสดงประเภทของเทศนาท่านก็แสดงเทศนานี้กล่าวไว้แล้วแต่มากล่าวซ้ำอีกก็คือว่ า, าศาสนาประเภทของกถาสิกขาปะหาร น, นะคำมพีตามสมควรในปีดกเหล่านั้นภิกษุย่อมถึงประเภทแห่งการเล่าเรียนใดซึ่งสมบัติใดแม้ซึ่ง วิบัติใดในปีดกใดด้วยอาการใดพึงแสดงซึ่งประเภทของการเรียนทั้งหมดแม้ด้วยประการอย่างห น, นบอกว่าปีดกสานั้นท่านเรียกว่าลำดับนะตามลำดับดังที่ได้กล่าวบอกว่าอาณาเทศนาวหารเทศนาปรมัตเทศนายถาศาสนายถานุโลมาศาสนายถาศาสาศนาและสังวะสังวรสังว ร, งวรกถาทิฏฐิวิจิเนสถานกถานามรูก ป, ปริเฉตกถาเป็นต้นเหล่านี้ตรง น, นี้ก็กล่าวตรง น, นี้กล่าวไปทีแล้วอยู่ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ก็มามาซ้ําอีกนิดนึงเพื่อให้เพื่อให้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยตรงที่บอกว่าวินยัยเยปิโดเป็นอาณาเทศนาคือการแสดงธรรมในลักษณะเป็นข้อบังคับในองค์ของสงฆ์สำหรับภิกษุภิกษุณีสามเณรโดยส่วนใหญ่พระสูตรก็เป็นววหารเทศนาเนื้อหาหมาะแข่จริตอัตตาศัยของผู้ฟังพระพิธรรมปิโกก็เป็นปรมัตเตเทศนานี่เป็นการแสดงธรรมตามสภาวะคือจิตเจสิญรูปนิพพานนี่ไม่เกี่ยวกับท้องเรื่องหรือววหาร ที่เป็นสัตว์บุคคลอันนี้ว่าโดยสาระของคําสอนนี่ลักษณะเฉพาะด้านของเทศนานะอัจฉริยะท่านว่าไว้อย่างนี้ส่วนลักษณะเฉพาะด้านในศาสนาคือวิธีสอนว่าวินัยปิฎกเป็นยถาปราธาศาสนาคือการสอนตามความผิดหรือโทษชนิดต่างๆที่พึงเว้นพระสุตันตปิฎกเป็นยะถาอนุลมศาสนานี่สอนอนุลมตามจริตอัตยาสัยของผู้ฟังนี่อธิบายไปแล้วส่วนอิธรรมปิฎกเป็นยถาธรรมศาสนาสอนตามสาภาวะ ของธรรมชาติของจิตเจสิกเป็นต้นลักษณะเฉพาะด้านกถาพระวินัยก็เป็นสังโวสังวราสังวรากรถาถ้อยคําที่กล่าวในเรื่องของการสํารวมไม่สํารวมเนี่ยส่วนพระสูตรก็เป็นทิฏฐิวินิเวทนากถาถ้อยคําที่สอนให้ละทายทิฏฐิคือความเห็นผิดพระพิธรรมเระเป็นนามรูปปริเฉทขกถาคือถ้อยคําที่สอนให้กําหนดจําแนกแจกนามและรูปถ้าลักษณะศรริกขาเฉพาะด้านวินัยเป็นอธิศีลสิกขา เป็นข้อปฏิบัติฝึกอบรมความประพฤติให้เกิดศีลอันยิ่งพระสูตรก็เป็นอาธิจิตตสิกขาข้อศึกษาปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมจิตให้เกิดคุณธรรมคือให้มีสมาธิที่สูงขึ้นถ้าอพิธรรมาพิฎกก็เป็นอธิปัญญาสิกขาศึกษาปฏิบัติฝึกอบรมเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริ ง, รงประการสุดท้ายคือลักษณะเฉพาะด้านการประหารวินัยพิฎกในประหานอะไรเป็นวีติกะมะประหารกิเลสอย่างหยาบที่ล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจา นันวินัยควบคุมได้ใช่ไหมพระสุตตานตบิดกเป็นปริยุทธานนะคือเครื่องละกิเลสอย่างกลางที่รัดลึงจิตไว้เช่นนิวรน์เนี่ยวก่การมาชันท่พยาบาทีนะมิท่าอุทะจักุกุจะวิจิกิจชาเนี่ยอันนี้ก็คือพระสุตตานตบิดอกเนะี่ยจะละกิเลสประเภทนี้อภิธรรมบิดกก็ละอนุสัยบาห์เป็นละอนุสัยกิเลสกิเลสอย่างละเอียดที่นอนอยู่ในคันทันดานดาอันนี้ท่านกล่าวไว้ในพรหมชาลสูตรกล่าวไว้ในรักษณงนี้อันนี้ก็ ก็ก็ข้ามเลยไปทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าจริงๆเนื้อหาตรงนี้ท่านท่านแสดงค่อนข้างละเอียดมากนี่ก็คือพีดอกสามเนี่ยพึงทราบว่าแต่ละพีดอกมีคำภีภาวะทั้ง4อย่างคือความลึกซึ่งโดยธรรมลึกซึ่งโดยอัดลึกซึ่งโดยเทศนาลึกซึ่งโดยปฏิเวทในภาวะสี่อย่างนั้นทำได้แก่บาลีอัดได้แก่เนื้อความของบาลีเหล่านั้นเทศนาได้แก่การแสดงซึ่งบาลีนั้น การกําหนดไว้อย่างดีด้วยใจปฏิเวทได้แก่การอย่างรู้บาลีหรือเนื้อความของบาลีตามความเป็นจริงฉะนั้นธรรมะอัตเทศนาปฏิเวทในพีดอกทั้งสาผู้มีปัญญาน้อยทั้งหลายอย่างรู้ได้ยากพพระวินัยปิดอกพระสุตันตปิดอกพระพิธรรมปีดกเนี่ยคนมีปัญญาน้อยอย่างรู้ได้ยากนะและเป็นที่พึ่งไม่ได้เหมือนหลายท่านอุปมาว่าสัตว์เล็กเนี่ยกระต่ายเนี่ยถามว่ากระต่ายมีกระต่ายสัตว์เล็กๆเป็นต้นเนี่ย มหาสมุทรเนี่ยเป็นที่พึ่งแกกระต่ายได้ไหมทะเลไม่ได้หรือว่าไงจึงเป็นของลึกในปิดกทั้งสามพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเนี่ยมีภาวะสีประการก็คือลึกซึ่งโดยโดยธรรมลึกซึ่งโดยอัดลึกซึ่งโดยเทศนาแล้วลึกซึ่งโดยปฏิเวทลึกซึ่งโดยธรรมะเนี่ยคือว่าโดยโดยโดยเหตุเนี่ยลึกอัดฐะเนื้อความโดยผลก็ลึก เทศนาเนี่การที่อย่างรู้กันลึกโดยการแทงตลอดโสดาปริมากสกัทาลึกลึกทั้งสี่ประการนะฉะนั้นคนมีปัญญาน้อยรู้ยากกว่าเนทีนี้ถ้าบอกเออเรามีปัญญาน้อยรู้ยากอย่าไปลบมันเลยจบเลยนะงานเนี้ยหมายความว่าจากน้อยนั่นแหละใช่ไหมตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยพ่อก็สอนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทย้ายขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรนจงอย่าจ่ายลงให้มากอยายากดานอยาสอนให้ท่องท่องกัน อ, อ, อันนี้มันมาจากน้อยใช่ไหมอีกคนหนึ่ง ว, ว่ามีสลึงพึ่งมันจบให้ครบบาทไปตลาดบานให้เกลี้ยงหมดอย่างเงี้อย่างา ง, างี้อันตรงเนี้ยรู้น้อยรู้น้อยก็สะสมทำได้แก่เหตุข้อนี้สมดังพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายานในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาอัดได้แก่ผลแห่งเหตุ พระเจ้าตราัสว่าญาณในผลแห่งเหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาเทศนาได้แก่บัญญัติการแสดงธรรมตามสภาวะเป็นเป็นเทศนาการแสดงอํานาจอนุโลมปฏิโลมทั้งทั้งตามลําดับทั้งย้อนขึ้นมาทั้งสังเขตทั้งพิสดารเป็นต้นเนี่ยเรีย ก, กว่าเทศนานะปฏิเวทได้แก่การตัดสรู้ในโสดาปฏิมกักสกาธาคลายมานณาคลายมงอัตตาี่เป็นปฏิเวทปฏิเวทจะเป็นได้ทั้งโลกยะโลกุตระเช่น แทงตลอดฌานอภินยางนี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกโลกียะแทงตลอดอรียมาร์กอรียผลเนี่ยนี่เป็นโล ก, กุตระเป็นความรู้จริงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนั้นผลทั้งหลายสมควรแก่เหตุในบ ญ, ญัติทั้งหลายก็สมควรแก่ แต่ทางแห่งบัญญัติโดยอารมณ์และโดยความไม่หลงสภาว่าธรรมทั้งหลายที่กล่าวแล้วในปิดกนั้นไม่มวิปริตกล่าวคือบัณฑิตกําหนดเป็นมาตรฐานและคนแทงตลอดสมาวะธรรมที่มีเหตุใดๆก็ดีสภาวะธรรมที่มีผลใดๆก็ดีเนื้อความที่ควรให้รู้โดยประการใดๆย่อมเป็นเป้าหมายสําคัญของผู้ฟังทั้งหลายเทศนาเนี่ยที่ส่องเนื้อความให้กระจ่างด้วยประการนี้ปฏิเวทกล่าวคือความรู้ไม่วิปริตในปีดกทั้งสามเป็นต้นเหล่านี้เออตรงนี้คืออย่างนี้นะว่าถ้าเราจะบอกเอออะไรคือธรรมอะไรคือ อะไรคืออัฏฐะอะไรคือธรรมอะไรคืออัฏฐะอะไรคือเทศนาอะไรคือปฏิเวทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าอาวิชาเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นธรรมธรรมะสังขารเนี่ยเป็นผลเนี่ยหรือว่าอย่างนี้นะว่าสมูทัยเป็นเหตุใช่ไหมเป็นเหตุของทุกนั้นสมูทัยเนี่ยเป็นธรรมะส่วนทุกอันนี้เป็นอัฏฐะเห็นไหมมรรคเนี่ยเป็นเหตุของนิพพาน เออมรักใ่เป็นธรรมะนิพพานก็เป็นอัฏฐานอย่างเงี้ยส่วนการเอาทุกขสมุทัยนิโรธมรักมาขยายมากล่าวมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจนี่เป็นเทศนาถ้าแทงตลอดทุกขสมุทัยนิโรธมรักอันนี้เป็นปฏิเวทเห็นไหมเนี่ยเอามรักแปะเอาเอาอริยสัจสีมากําหนดก็ได้บอกว่าเออทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุผลนี่เป็นอัฏฐาเป็นอัฏฐาเป็นเนื้อความก็ได้ส่วนสมุทัยเป็นเหตุนี่เป็นธรรมะเห็นไหมสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์มรักก็เป็นเหตุของนิโรธ นั้นมร ก, ก็เป็นธรรมะนิโรธก็เป็นหรือนิพานก็เป็นอัฏฐะถ้าเอาอริยสัจสีมาเทศนามาบอกมากล่าวมาทําความเข้าใจมาอัฏฐอธิบายอันนี้เป็นเทศนาส่วนการแทงตลอดอริยสัจตามความเป็นจริงแทงแทงตลอดทุกโดยการกําหนดรู้แทงตลอดสมุทัย้วยการละแทงตลอดนิโรธ้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดมรรค้วยการอบรมโดยการเจริญการเข้าใจการแทงตลอดอย่างนี้เป็นปฏิเวท นั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งโดยธรรมลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยเทศนาแล้วก็ลึกซึ้งโดยปฏิเวทนั้นลองลองอธิบายดูที่ว่าโอ้จะอธิบายสมูทัยเนี่ยอธิบายให้ใหทําความเข้าใจให้ชัดเนี่ยลึกลึกมากทุ ก, ก็เหมือนกันที่พูดกันมามากสุดๆเลยใช่ไหมเรื่องทุกเนี่ยลองพระท่านก็ว่าทุกไม่เห็นมันทุก มันก็มีสุขมันก็อยู่อย่างเงี้ยมองมองเห็นไหมอาอย่างเขาบอกว่าเอ๊ะเราจะรู้จากทุกยังไงบางคนก็มากำหนดในปัจจุบันกันนี่แล้วเอานั่งนานเป็นทุกข์ไม่ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะทุกข์ก็เปลี่ยนที่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมแต่จริงๆทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ทุกในปัจจุบันเหล่านี้คือจริงอยู่ถ้าเรายังไม่รอบรู้ตรงที่ว่าคือการเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความตายเป็นต้นเหล่านี้ ก็ถึงบอกว่ารมทั้งหลายเหล่านั้นที่ม่วิปลิตเก่าวคือบัณฑิตกําหนดเป็นมาตรฐานคนแทงตลอดคุณชาติแมททั้งหมดฉะนั้นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายเธอถ้ามุผู้มีปัญญาสามทั้งหลายซึ่งไม่ได้สั่งสมกุศลบุญกุศลเข้าไว้อะอย่างรู้ได้ยากและพึ่งไม่ได้เหมือนมหาสมุสทรสัตว์เล็กๆมีกระต่ายเป็นต้นก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุหรือสภาวธรรมที่เป็นผลจึงลึกซึ้ง คำพีละภาวะทั้ง4ี่ประการ น, นั้นในปีดกทั้ง3านี่นะแต่และปีดกผู้ศึกษาก็ทราบว่าว่าพึงแสดงประเภทของเทศนาประเภทของาศาสนาประเภทของคถาประเภทของศิขาประเภทตอนจะปีดกและพระพิธรรมปีดกเนี่ยในปีดกนั้นแะห่งในคาถาเราเนี้ยพิสูยย่อมถึงซึ่งประเภทแห่งปริยัติ id, ซึ่งสมบัติใดซึ่งวิบัติใดในปีดกใดด้วยอาการใดพึงแสดงซึ่งประเภทแห่งปริยัติ id, ทั้งหมดแม้ด้วยอาการนั้นๆพึงทราบดังต่อไปนี้บอกว่า การเล่าเรียนปริยัติสอย่างก็หมายถึงเออเวลาจะศึกษาคําสอนเนี่ยการจะเรียนเนี่ยท่านท่านจะกําหนดมากนะท่านจะเอาปริยัติสมอย่างมากล่าวใน3อย่างนั้นก็คือว่าอลรักขโทปริยัติการเล่าเรียนเหมือนจับงูข้างหางจับงูพิษข้างหางนิสรณัตถาปริยัติการเล่าเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อออกไปจากทุกข์แล้วก็คันดาคาริกะปริยัติการเล่าเรียนของพระอรหันต์เปรียบดันคุ้นคุ้นขังก็บอกว่า ในปริยัติสามอย่างนั้นปริยัติใดที่บุคคลเรียนผิดทางคือเรียนเพราะเหตุแห่งการติเตียนผู้อื่นเป็นต้นเออดีนะเราเรียนคําสอนไว้เนี่ยต่อไปเราจะได้รู้ผิดรู้ถูกไอ้นี่ดีนะคิดอย่างเงี้ยแต่จะได้เอาไปตําหนิคนอื่นที่เขาเรียนกันไม่ถูกเออเรียนจะได้ให้คนเขารู้จักเราเรียนเพื่อให้คนเขายกย่องสรรเสริญเราเรียนเพื่อให้เราได้ลาบส ก, กาละเสียงสรรเสริญเยืนยออย่างนี้เป็น阿拉กทูปริยัติพระพุทธเจ้า เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการงูแสวงหางูเที่ยวหางูเข้าไปพบงูใหญ่ก็จับขนดพึงจับงูนั้นงูนั้นก็เลี้ยวกลับมากัดมือหรือแขนของตนอวัยวะน้อยใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งบุรุษนั้นน่ยพึ่งถึงตายทุกบางตายเพราะการถูกงูกัดนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นเพราะเขาจับงูผิดวิธีฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ก็เรียนแลสุดตาเคยย่าเวยากระนาคาถาอุทานีติวุตกะเวทัละโมฆะบุรุษเหล่านั้นก็คือเรียนพระวินัยเรียนพระสูตรเรียนพระวิธรรมเบ็ดเสร็จแล้วค้นเรียนธรรมานั้นแล้วไม่พิจารณาเนื้อความของธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาคือไม่ได้เอาคําสอนมาพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อไม่พิจารณา้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเน่ยนะเมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาแล้วธรรมเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพินิษโมฆะบุรุษเหล่านั้นมีวัตถุประสงเพื่อติเตียนผู้อื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื้อต้นออกจากการกล่าวล่ายนั้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลาบสกาลาเสียงสรรเสริญเยนยอการเรียนธรรมะของโมฆะบุรุษนั้นเล่าเรียนเพื่อประโยชน์แห่งธรรมะใดย่อมไม่ได้ประโยชน์แห่งธรรมะนั้นทําเหล่านั้นที่โมฆะบุรุษเล่าเรียนนั้นผิดทางคือไม่เป็นสัมมามากแล้วเป็นมิจฉาเนี่มากแล้ ว, ลวย่อมเป็นไปเพื่ออันตรายอันไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานข้อนั้นบพเหตุไรโอ้เป็นไปเพื่อความทุกข์เลยนะเรียนแบบเนี้การตั้งธรรมะแบบนี้ก็เป็นไปเพื่อความทุกข์นะ ดูก่อนพลิกตัวขยายข้อนั้นเพราะทำทั้งหลายอันโมฆะบุรุษเรียนนั้นผิดทางนั่นเองเออตรงนี้ส่วนปริยัติใดที่บุคคลเรียนถูกทางหวังความบริบูรณ์แห่งคุณมีสินคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุติคุณวิมุติญาณทัศนคุณเท่านั้นเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนเพราะเหตุแห่งการติเตียนผู้อื่นเป็นต้นไม่ได้เรียนเพื่อลาบสกาลาเสียงเสราเสริญเยินยอเป็นต้นนิสระเรียกว่านิสระนัทธปริยัตินะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส บอกว่าทำเหล่านั้นที่บุคคลนั้นเรียนถูกทางย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์พบหน้าประโยช น, น, ยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นเพื่อความสุขตลอดกาลนานๆข้อนั้นเพราะอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระธรรมของบุรุษนั้นเรียนถูกทางเนีเรียนถูกทางนะกาง็เรียนแล้วได้เจริญสิกขาสามไปด้วยเรียนแล้วได้เจริญมรรคแไปด้วยเงี้ยนะสัมมามรรคไปด้วยไม่ใช่เรียนแบบมิจฉามรรค เรียนใบแล้วได้เลยได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรมมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเรียนแล้วได้จเจริญสิกขาสามได้จเจริญมรรคแไปได้จเจริญมรรคแดไปด้วยเรียนแบบนี้ก็เรียนถูกทางนะส่วนพระลรหันผู้มีขันอันกําหนดรู้แล้วมีกิเลสอันละได้แล้วมีมรรคอันอบรมแล้วมีพระอารหันตผลอันแทงตลอดแล้วมีนิโรธอันทาให้แจ้งแล้วย่อมเรียนซึ่งปริยัติใดเพื่อต้องการจะรักษาประเพณี เพื่ต้องการอนุรักษ์พุทธวงศ์โดยเฉพาะอันนั้นเรียกว่าคันดาคาริกะปริยัตยิคือถ้าเรามองตรงนี้เราเออพระอรหันต์ท่านเรียนธรรมะนะแต่ท่านเรียนรักษาประเพณีรักษาวงในฐานะที่ท่านเป็นวงของพุทธเจ้าเนี่ยวงของพุทธบุตรเนี่ยอันนั้นเป็นคันดาคาริกะปริยัตยิประดุดัเลือนคลั่งเลยเรียนแล้วท่านเก็บคําสอนเขาไว้เหมือนกับเรียนเหมือนกที่ท่านเรียนก็เหมือนกับท่านจะเป็นตู้พระไตรปิฎกเลย เก็บคำสอนเขาไว้ใครอยากอ่านก็ามาถามท่านสมัยก่อนก็ไม่มีตู้พระไตรปิฎกอย่างนี้ใช่ไหมพระหลานท่านก็เรียนเออเรียนเบ็ดเสร็จก็เออถ้าเห็นพระมาไรใครปรารถนาไปเรียนก็ไปเรียนกับท่านไปเปิดอ่านในตัวท่านได้ท่านเป็นอย่างนั้นทั้นเรียนแบบเก็บอย่างถ้าอย่างเราเนี่มีปริยัติสองอย่างคือเป็นอรรถกโทรปริยัติกับนิสสระนัทธาปริยัติ เรียนไว้เพื่ออวดตนเองก็เรียนเพื่อไว้เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์หรือเราก็เอาสองอย่างสลับกันอยู่เนี้ยก็พยายามทําให้เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ให้มากอย่าไปเรียนเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่ออย่างอื่นแต่จริงพอพ อ, พอมาฟังธรรมะมากมากมากเข้าเนี้ยหลายหลายคนเขาเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะถามเราเพื่อเข้ารู้นึงเฮ้ ย, ยเห็นไปวัดบ่อยๆก็จะถามเลยอย่างเงี้ยตรงนี้ยเราก็วางใจให้ถูกอนุเคราะห์เขาให้เป็นหนึ่ง ประการต่อมาก็คือว่าภิกษุปฏิบัติดีในพระวินัยอาศัยศีลสัมปทาก็จะบรรลุวิชาสามท่านกล่าวประเภทแห่งวิชาสามวนั้นไว้ในพระวินัยพิดก็หมายความว่าเออเนี่ยถ้าหากว่าศึกษาวินัยนี่นะศึกษาเรื่องศีลเนีย่ยถ้าได้บรรลุนีจะได้ปุเพนิวาสานุสติญาณจะได้ตูตูอยู่ตูปปาญาณจะได้อาสวัคยญาณคือถ้าหากว่าศีลดีเนี่ยถ้าบรรลุแล้วเนี่ยบอกว่าปฏิบัติดีในพระวินัยแล้วนี่นะ พอบรรลุแล้วเนี่ยจักใจร ะ, ะลึกชาติได้อย่างนับนับไม่ได้นะโอ้บรรลึกได้อย่างเยอะแยะไปหมดนเนี่ยนะแล้วต่อมาก็คือจะรู้กรรมรู้จุติปฏิสุนทรีของบุคคลอื่นด้วยบอกโอ้คนนั้นเคยเกิดเป็นนั้นมาแล้วมาตายแล้วมาเกิดเป็นนี้แล้วจากไปนู้นมานี่นจะรู้กรรมของสัตว์เนี่ยแล้วก็จะมีทำอาสวัยสิทธิ์ถ้าปฏิบัติดีในพระสูตรอาศัยสมาธิสัมปทาบรรลุอภิญยาหกได้ พระท่านกล่าวประเภทของอภิญยาหกไว้ในพระสูตรเออถ้าบอกว่าปฏิบัติดีในพระสูตรนี่นะจะได้อภิญญา6ได้ทิพยจากหูอภิญญาทิพย์วโสตอภินยาหูทิพย์ตาทิพย์เป็นต้นเนี่ยนีถ้าปฏิบัติดีในพระพิธามในพิธามบิดกเนี่ยจะได้ปัญญาในสัมปทาสอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมะนิรุตติแล้วก็ปฏิภาณนาปฏิสัมพิทาอันท่านกล่าวไว้ในพระพิธามบิดก์พิทุที่ปฏิบัติดีในบิดกทั้ง3าจะบรรลุ สมบัติต่างได้วิชาสามอภินญา6ปฏิสัมพิทาสเป็นต้นตามระดับโดยประการชนีดฉะนั้นพระอาหารหันต์ที่ท่านทําปฐมสังขยาณาเนี่ยท่านเลือกอะไรรึมั้ยหนึ่งได้วิชาสคัดนีเออหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองบรรลุวิชา 3. สาสก็คือบรรลุอภิญญาหกสก็บรรลุปฏิสัมพิทาญาณสี่สรุปก็คือว่า ภาที่ท่านปฏิบัติดีในพระวินัยด้วยในพระสูตด้วยในพระพิธามด้วยและแตกฉานทั้งสามบิดอกด้วยที่ท่านคัด500้อยลูกทั้งนั้นที่จินยังเหลืออีกเยอะเลยนะเพราะจากเจ 0,000 นลูกที่ท่านคัดไวนะ้เนี่ยแต่ว่าคัดอย่างประเภทที่หัวกะทิแล้วได้ขนาดนี้ส่วนภิกษุที่ปฏิบัติช่วในพระวินัยก็มีความสําคัญว่าไม่มีโทษในภาษาทั้งหลายมีการถูกต้องสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณคลองเป็นต้นที่ต้องห้ามโดยมีลักษณะคล้ายกันการถูกต้องวัตถุมีเครื่องปูราดและผ้าหม่ม อภนนิพัสสะสบายทรงที่ทรงอนุญาตไว้เป็นต้นสมดังที่พระอริธากาก่าว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระพูดม้าง จ, จะแสดงว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมที่ทําอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายไม่อาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ซ่งเสพได้เลยดังนี้ภิกษุนั้นก็ภิกษุนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ทุศีิก็คือว่าพระบางองค์ก็ไปสําคัญผิดว่าเออพระกับฆราวาสเนีไม่ต่างกันนะ ฆราวาสนั้นมีครอบครัวฆราวาสยังบรรลุได้เออถ้าพระจะมีครอบครัวบ้า ง, างก็ไม่เห็นจะเป็นไรก็น่าจะบรรลุดได้เนี่ยความเห็นแบบเนี้ยพระเจ้าตำหนิโอ้โมฆะบุรุษพอพระเจ้าบอกโมฆะบุรุษเออพระเจ้าดา่าเคยตำหนิคนเป็นโมฆะบุรุษได้บรรลได้บรรลุก็ยังมีเราก็คงจะเป็นโมฆะบุรุษประเภทบรรลุได้เหมือนกันนั้นเลยไปเข็นผิดอย่างนี้นะมันมีจริงๆนะคนบางคนเนี่ยอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าคนความผิดต่างกันเนี่ยแล้วก็ว่าใช้คําด่าใช้คําตําหนิเหมือนกัน พอใช้คําตําหนิเหมือนกันเขาก็จะได้สําคัญคนที่ตําหนิบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรแนะ่แต่ก่อนเนะี่ยคนนั้นถูกตําหนิมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ได้ดีไปแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราเขก็คงจะได้ดีเหมือนกันเพราะเราก็ถูกตําหนิก็เห็นไหมคนที่คิดแบบเนี้ยแต่ที่จริงไอ้เป็นตําหนิบางคนเนี่ยตําหนิแล้วแหละรู้เลยคนตําหนิท่านรู้เลยว่าไม่ได้ดีแน่เสียหายแนย่แต่บางทีคนที่คั่นตําหนิเนี่ยตําหนิเพื่อให้ละความเห็นอย่างนั้นเพื่อจะปฏิบัติให้สูงสูงยิ่งแบบ นัพ้พระเจ้าใช้คําว่าโมฆะบุรุษเนี่ยคําว่าโมฆะบุรุษเนี่ยบางท่านท่านใช้คําว่าโมฆะบุรุษอยู่ต่อมานั้นละแล้วท่านประพฤติปฏิบัติแต่พระเจ้าใช้การอริธากาพิคุเนี่ยใช้คำว่าโมฆะบุรุษแต่อริธากาพิคุจะเป็นสาคัญว่าเราเป็นโมฆะบุรุษจริงแต่เดี๋ยวเราก็ได้บรรลุเพราะมีโมฆะบุรุษก่อนหน้านั้นได้บรรลุเห็นไหมเห็นผิดพิกษูปฏิบัติตช่วยในพระสูตรไม่รู้ความมุ่งหมายในพระบาลีเป็นอไรที่เราดูก่อนภิกษูทั้งหลายบุคคล สีพวกกรณีมีอยู่ปรากฏอยู่ตรงนี้ย่อมถือเอาผิดที่พระพุทธเจ้าตรัสมุ่งหมายแต่ว่าบุคคลย่อมกล่าวตูเราทั้งหลายด้วยย่อมขุดซึ่งตนด้วยย่อมประสอบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยด้วยการที่ตนถือผิดดังนี้แต่นั้นพิจารณาแนย่อมถึงความเป็นมิชฉาทิฐิคือบางทีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นไปกล่าวตูตูคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือปฏิบัติชั่วคือปฏิบัติผิดในพระสูตร ไม่รู้ความมุ่งหมายในพระบาลีพระเจ้าก็บอกดูก่อนพิกเตอทั้งหลายบุคคลสี่พวกเหล่านี้มีอยู่ปรากฏอยู่ดังนี้ย่อมถือเอาผิดที่พระผู้ให้ภาคเจ้าทรงมุ่งหมายแั่ว่าบุคคลย่อมกล่าวตูเราทั้งหลายด้วยดีพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยการกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวตูเราเนะแล้วขุดตนหมายถึงว่าเออเนี่ยเธอกล่าวอย่างนี้ยืนยันทิฏฐิของตนเองอย่างนี้นะชื่อว่าขุดตนออกจากอะไรออกจากพระธรรมวินัยฉะนั้นการขุด ตนออกจากพระธรรมวินัยก็หมายความว่าขุดตนออกจากการเป็นพระโสดาบันแล้วขุดตนออกจากเป็นพระสกท า, านาคาและพระอาหารหันต์เลยนี่ขุดตนออกย่อมประสบสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากต่อไปได้บาปอย่างเดียวบุญไม่ได้แล้วแล้วก็ด้วยเหตุที่ตนเองถือผิดนี่เ็าเรียกปฏิบัติชั่วในพระสูตรถ้าปฏิบัติชั่วในพระวิธรรมก็คือคิดฟุ้งเกินไปคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดจิตวิปลาด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้คิดอยู่เรื่องที่มีควรคิดเหล่าใดเป็นผู้ไอเรื่องที่มีควรคิดคือเรื่องอจินไตรอะเรื่องกรรมเรื่องวิบากคือหมายว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ไม่เรียนนะคือไปคิดฟุ้งอะฟุ้งจนเกินไปเช่นเราไปนั่งคิดแบบไม่มีข้อมูลดูที่เช่นคิดถึงพุทธญาณเนี่ยหรือเรื่องกรรมเรื่องอจินไตรทั้งหลายเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องอะไรต่างๆเราเนี้ยเนะี่ยอันนี้มีควรคิด ปฏิบัติช่วในปิดกสามก็ถึงความวิบัติต่างความเป็นผู้ทุ่สีเป็นมิจฉาทิฐิมีจิต ว, วิ ป, ว ป, วปลาดเป็นต้นภิกษุย่อมถึงซึ่งประเภทแห่งปริยัติใดซึ่งสมบัติใดแม้ซึ่งวิบัติใดในปิดกใดด้วยาการใดพึงแสดงซึ่งความประเภทแห่งปริยัติทั้งหมดแม้นั้นด้วยาการอย่างนั้นดังนี้อันนี้เป็นคาถาเนื้อความที่กล่าวกล่าวในลักษณะอย่างนี้เนะึ่ยต่อไปก็คือพูดถึงในเรื่องของเขาว่าพุทธพจน์มีองค์ห้ามีประเภทห้า มีหก็คือว่าทีคณิกายมชิมะนิกายสังยุตตะนิกายอังพุตะรนิกายขุดทการนิกายทีคณิกายคืออะไรก็คือนิกายที่มี34สูตรมีพรมละชารสูตรเป็นต้นจัดไว้เป็น3ามวักนิกายใดมีสูตร30มสใส่สูตรจัดเป็น3ามวักนิกายที่1ชื่อว่าทีคณิกายมีชื่อว่าอนุลมก็เพราะเหตุลไยนิกายที่หนึ่งเรียกว่าทีคัิกายเพราะเป็นที่ประชุมและเป็นที่อยู่ของวสุทั้งหลายที่มีขนาดยาวยาวอ่มูที่อยู่ท่านเรียกว่านิกาย หมู่ก็ได้หรือที่อยู่เรียกว่านิกายหรือในข้อที่นิกายสับหมายถึงหมู่หรือที่อยู่มีิวตาหอนเป็นเครื่องสากทกทั้งศาสนาและทางโลกนะอทิว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นหมู่อื่นแม่หมู่หนึ่งที่ผิดแผกแตกแต่งกันเหมือนหมูส่สัตว์เดราจานและเหมือนที่ที่อยู่ของกษัตริย์ในโปนิกะที่อยู่ของกษัตริย์แห่งคกคิลากะดังนี้เลยเนื้อความของนิกายทั้ง4ที่เหลือของว่านิกายบรรัณฑิตทราบโดยในดังที่ได้ดกล่าวแล้วนั่นําว่านิกายแปลว่าหมู่ แปลว่าที่อยู่ทีแค่นีกายก็เป็นที่อยู่ของเป็นที่ประชมุมเป็นที่อยู่ของพสูตรที่มีขนาดยาวเลีกทีแค่นีกายธรรมชิมานิกายก็มี1 6อยหสูตรมีมูลปริยาสูตรเป็นต้นเขาเรียกขนาดบานกลางที่อยู่ของของพสูตรขนาดเป็นบานกลางนิกายใดมี152สูตรจัดเป็น15บห้าวักนิกายนั้นเชื่อมมัชชิมนิกายส่วนสังยุตตานิกายก็คือนิกายที่มีสูตร7 7 6ดพสูตร มีโอคาตารณสูตรเป็นต้นที่ตรัสไว้โดยสามารถอย่างเทวตาสังยุตเป็นต้นเนี่ยนะนิกายที่มีสูตร7จ็ดสูตรจัดเป็นสังยุตตานิกายอังคุตตรนิกายก็คือนิกายที่มีหมู่ที่วสูตร9557สูตรมีจิตตะปริยาธานสูตรเป็นต้นตรัสไว้โดยสามารถอย่งการเพิ่มขึ้นและหนึ่งหนึ่งในจํานวนอังคุตตรนิกาพันห้าร้อยห้าสเจ็ดสูตร ส่วนขุทักรนิการเนะี่ยมีวินัยปิดกทั้งสิ้นอภิธรรมปิดกทั้งสิ้นแล้วคมภีรอีก15คัมภคำพีท่นนานพระวินัยทั้งหมดเนี่ยคือขุทักรนิการนะียอภิธรรมปิดกกด้วยก็คือขุทัการนิกายแล้วยังมีคัมภี์ขุทักกาปะทมีพวกชาดกทั้งหมดยกเว้นนิกายทั้ง4มีทีขนิกายเป็นต้นเหล่านั้นเสียพุทธพจน์อื่นๆจากนั้นท่านเรียกว่าขุทักนิกาย พุทธพศห้าคือว่าด้วยอำนาจแห่งนิกายนับอย่างนี่แลเนี่ยส่วนองค์9ก็อะไรบ้างสุดตาเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานอิติอุตกาชาดกอภูตรธรรมเวทัละนี่องค์9้าองค์9ก็มีอะไรบ้างอุปโตะวิพังนิเทศคันธกะและปริวานมงคลลสูตรลัตนาสูตรนาละกาสูตรตัวตากาสูตรในสุดตนิบาศและในคำสอนของพุทธพระธรรมก็ที่มีชื่อว่าสูตรแม้ว่าพึงทรา ว, ว่าสุดตาพระสูตรที่คาถาทั้งหมดเคยยะ ก็คือในสขารทะวักทั้งสิ้นในสังยุตก็พึงทราบว่าวเคยะอภิธรรมปิดกพระสูตรที่ไม่มีคาถาพุทธพจน์อื่นๆที่รวมไว้โดยองค์แปดพุทธวัตถนึงถามว่าอภิธรรมเนี่ยจัดเป็นอะไรว่าจัดเป็นเวยากรณะวยกรนี่ไงไวยากรณ์พวกธรรมบบฏเนี่ยเถ ล, ลัคาถาเทลีคาถาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไวยากรณ์วเวลาเขาสวดเนี่ยก็จะใช้สวดกันแบบทํานองกันเนี่ยสวดหลักของไวยากรณ์ สวดหลักของเอเป็นคาถานในธรรมบทอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เคยเคยสวดให้ฟังที่บอกว่ายะทาปิมมเลอมุปัตเทตันนีชินโนปิรุโคปุนเรวะรูหาตีเอวัมปีตันหานนสเยอนุหาเตนิพาตติดุกมิดังปุนาปุนังยะาชาติงสติโสตามนาปสาวนาภูสา มหาวหันที่ทุตทิทิท้งสร้างกปาลาคณิสิตานี่อันนี้เป็นคาถาธรรมบทนี่เป็นวยากรณ์นี่เป็นไวยากรณะถ้าสมัยก่อนนี่ยเขาจะสวดกันค่อนข้างเฉพาะเนี่ยนี้ไม่ค่อยนิยมสวดกันเท่าไหร่แต่ก่อนเขาสวดเขออกเสียงกันเต็มที่ น, นะเวลาสวดเวลาไปต่อหน้าพระาธาตุต่อหน้าอะไรต่างๆก็จะสวดคาถาอะไรกันอย่างงี้แต่ในอินเดียคงจะมีสวดกันนะนะสวดกันแบบเพ้อๆแบบทำนอง ย่งบูชาพระาธาตุบูชาอะไรกัก็จะสวดเป็นร้อยแก้วบ้างร้อย ก, กองบ้างสวดเป็นชั้นอินทรวิเชียนชั้นบ้างท่านนี้ก็เป็นเป็นหลักที่ศึกษาโดยทั่วทั่ทไปเอแล้ววันนี้ก็ก็สมควรเกี่ยวเวลาก็ยังไม่ได้เข้าสาระของของทิฏฐิในเรื่องสาระของศีลอันนี้กล่าวกล่าวกล่าวเบืเ้องต้นเบื้องต้นยังไปไม่ถึงไหนเลยก็เรียนอย่างนี้แหละเรียนเรีย น, รยนพระไตวปิฎกเขาเรียนกันแบบนี้ อาจจะต่อไปจเจริญกรรมฐ า, านกันสักเล็กน้อย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 ในครั้งต่ อ, ตอไปในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โโสวัสดีครับปานาติปาโตโควัชอกุสซลม Adinnaadam khobach akusalam adin. बेरमनी कुसलम कामे सुमिच्छा चारों खो ब च ् च अकुसलम เวร์มันนีกุสัลลัมมุซาบาดอัข้วัชะกุสลมุาา เวลาใหม่ก็สลายปิสูน่าวาจาโขบัจอกุศล วาจาใเบรมันคุศลภารุาวาจาขบจักุล ใจเย็นเวร์มันีขุสลัสับปะลาโอะขว้บชะขุสลส เปล่าเปล่าเวรมันน์กุศลบิดาเอ๋วักุลอากุล अ भ ् य ा प ा द ो खोबच्छक अकुसलम अ भ ् य ा प ा द ो कुसलम กุศลสมมาดิพทิกุศลอิทิโควัชะดัศธมมาอกุศลนาดัมมา